มาดูเขาใช้คําว่าตัวรู้สึกตัวเนี่ยเหมือนเป็นเลขาส่วนตัวขนาะและส่วนที่คอยคอยเตือนที่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนความรู้สึกตัวนี่ให้มันเข้มแข็ ง, ขงเนี่ยก็เหมือนเลขาของเรามันไม่ขยันนั่นเองนะให้การที่มาสังเกต บ, บ่อยๆก็เหมือนว่าเลขาส่วนตัวคือสติ สมัชยญาปัญญาเนี่ยเป็นเลขาที่ฉลาดหรือไม่ฉลาดถ้าหาเป็นเลขาที่เราฝึกมาดีฉลาดมันก็เตือนเราได้บ่อยๆเตือนเราได้ทุกเรื่องแต่ถ้าเลขาโนการที่มันไม่มฉลาดที่ฝึกมาไม่ดีมันก็เตือนได้บางเรื่องหรือเตือนบ้างลืมบ้างหรือหรือไม่อยากเตือนเลยนี่นี่ก็ส่วนทิ่นีการฝึกความรู้สึกตัวตามหลักที่ท่านพูดเนี่ยท่านใช้หลักของลมหายใจกับสังเกตความรู้สึกตัวหรือสังเกตเวทนา นี่ถ้าหากว่าเราเอาหลักของเราก็คือลมหายใจเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนไหวของมือเคลื่อนไหวของเท้าเคลื่อนไหวของอะไรทุกส่วนเนี่ยแทนลมหายใจเพราะมันชัดกว่ากันเราก็จะไม่ลังเลแต่ในกรณีที่เราไม่เข้าใจหลักอันนี้เราก็จะําลังเลเอหันไปทําลมหายใจดีหรือเปล่าหรือว่าจะทําสร้างจังหวะดีเราก็จะสับสนแต่ความจริงคือมันหลักอันเดียวกันนะแต่ว่าลมหายใจเนี่ยมันละเอียดอ่อนเกินที่จะเราจะกําหนดได้ชัดเจน เราก็หันมาใช้หลักของการเคลื่อนไหวแทนการเคลื่อนไหวเท่ากับลมหายใจซึ่งมันจะมีความหลากหลายรุแลงกว้างขวางกว่าสังเกตได้เพราะการเคลื่อนไหวมันมีหลายระดับระดับกลางระดับหยาบระดับละเอียดนะระดับละเอียดนี่คือความเคลื่อนไหวของจิตนะระดับกลางก็การเคลื่อนไหวของเวทนาความรู้สึกในตัวของเราระดับหยาบก็ความความเคลื่อนไหวของกาย พราะฉะเราใช้หลัขกขั้นการเคลื่อนไหวให้คุ้นเนี่ยมันสามารถเจาะลึกเบิร์กไปตามลาดับเนื่อว่าเนื่องจากว่าสติปัญญาหรือโครงสร้างทางด้านความรู้สึกตัวของคนปัจจุบั น, นในรุ่นเราเนี่ยมันค่อนข้างยากยากแต่คนสมัยก่อนความรู้สึกตัวการรับรู้ของเขาละเอียดเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะใช้การเคลื่อนไหวแค่ลมหายใจก็สําสเร็จประโยชน์ได้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็มีหมายความเราจะปฏิเสธลมหายใจเราก็รับรู้ไปพร้อมๆกันน่ะบางครั้งก็รับรู้ลมหายใจบางครั้งก็รับรู้การเคลื่อนไหวในส่วนไหนที่มันชัดเจนแล้วก็ไปฝึกฝนสติกันในจุดนั้นอันนี้เราจะไม่สับสนนะเพราะฉะนั้นเราเวลาใครพูดว่าลมหายใจดีกว่าการเคลื่อนไหวดีกว่าเราจะไม่ ไ, ไปเถียงเขาเพราะมันคือหลักอันเดียวกันน่ะแต่ว่าคนไม่เข้าใจก็มานั่งอันนั้นว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนั้นเราไม่ต้องไป ไปตอบโต้หรือไม่ไปไปที่บายอะไรเขาอ่ะแต่เพะเด็นว่าเราทําของเราให้เข้าใจเท่านั้นเองแล้ว่าทั้งหมดก็อยู่ในโครงการเรื่องการเคลื่อนไหวแต่การเคลื่อนไหวตรงนี้เราจะต้องเข้าไปสังเกตเขาไปรับรู้ให้มันมีกําลังเท่านั้นเองให้จิตมันมีกําลังด้วยสายการเคลื่อนไหวทั้งหมดทั้งหยาบกางละเอียดเนี่ยให้มันเป็นให้เป็นหลักที่สังเกตว่างั้นเถิดตามภาษากรรมฐานนึกว่าเป็นเป็นนิมิตกรรมฐาน อาจใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดไม่ว่าการการเคลืวทางกายการเครวคลา่าอนไหวทางจิตเป็นเคลื่อนไหวที่เป็นนิมิตของกรรมาฐานหรือนะก็เป็น <c oughs> ใช้คำว่ากสินก็ไดนะ้เป็นนิมิตของกรรมาฐานที่ให้จิตของเราไปผูกพันไปรับรู้เรื่องหนี้งตลอดเวลาในตัวสติสมะยะปัญญาหรือสมาธิเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะจิตมันไม่ออกไปทางอื่นนะ กานอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นหลักอันนี้เราจะต้องเข้าใจาคนส่วนใหญ่ที่มาว่าเคยทํามันอื่นมาหรือมันมาทำการเคลื่อนไหวเป็นนี้มันจะใช่ไหมถ้าเราไม่เข้าใจหลักการของตัวเองไม่เข้าใจหลักการนี้เราก็จะค่อยๆเคลื่อนเละแล้วชี้แจงเขาไม่ได้ะเราก็ปล่อยค่อยเคลไปด้วยอันนี้เป็นกันเยอะเพราะว่าเราไม่มีความเข้าใจนะเพอเราก็ไม่ละเอียดพอ <c oughs> แม้แต่การเคลื่อนไหวของมือเนี่ยบางทีมันจะทําไปตามเคยชินอันนั้นไปร่วมให้เกิดความจิตใต้สานึกโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะื่องการเคลื่อนไหวของมือเนี่ยเราจะต้องรับรู้ให้ชัดๆแต่ไม่ใช่เพ่งซึ่งมาได้กล่าวบ่อยแล้วว่าระหว่างการชัดกับการเพ่งนี่ต่างกันการเพ่งคือการบังคับจิตแล้วการเข้าไปทําตามอยากที่จะให้มันรู้ มันก็เป็นการเพ่งไปอันนั้นเป็นส่วนของตันหาเป็นการทํางานของที่ได้าสานึกนะแต่ในส่วนช้าก็คือจะยกช้าลุกเร็วแต่ว่ามันมีความรู้สึกตรงนั้นชัดโดยที่ไม่ต้องเพ่งและรับรู้ในส่วนอื่นไปพร้อมๆกันในขณะที่ยกมือเราสามารถจะรับรู้รเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงของร่างกายเราสามารถจะรับรู้ความหยาบความละเอียดของลมหายใจเราสามารถรู้ความคิดความนึกอะไรไปพร้อมๆกันได้เพียงแต่ว่าตรงไห น, น